เราเป็นชาวพุทธเราเคารพนับถือศรัทธาในพระพุทธพระธรรมพระสงฆ์พระพุทธพระธรรมพระสงฆ์สอนให้เราทำหน้าที่ของเราในการที่จะทำให้เรามีความสุขมากขึ้น มีความทุกข์น้อยลงจนไม่มีความทุกข์หลงเหลืออยู่ภายในใจเลยมีแต่ความสุขอยู่ในใจเพียงอย่างเดียวเราต้องทำหน้าที่ที่พระพุทธเจ้าได้ส่งมอบไว้ให้กับพวกเราทำกันถ้าเราทำหน้าที่ที่พระพุทธเจ้ามอบให้เราทำได้เราก็จะมีแต่ความสุขความทุกข์ต่างๆที่เราเคยมี มันก็จะหายไปหมดท mm hmm. ุระหรือหน้าที่ที่พระพุทธเจ้าทรงสอนให้พวกเราทํากันมีอยู่สองทุระสองหน้าที่คือหนึ่งคันทะทุระสองวิปัสนาทุระคันทะทุระแปลว่าศึกษาคําสั่งคําสอนของพระพุทธเจ้าวิปัสนาทุระคือการปฏิบัติ ตามคําสั่งคําสอนของพระพุทธเจ้าเพื่อที่จะได้เกิดผลอันเลิศอันประเสริฐคือการหลุดพ้นจากความทุกข์ทั้งปวงการได้พบกับความสุขที่แท้จริงและถาวรที่จะอยู่ไปกับเราอย่างตลอดไม่เหมือนกับความสุขต่างๆที่เรามีกันอยู่ขณะนี้เมันเป็นความสุขชั่วคราว เป็นความสุขที่จะต้องมีวันสิ้นสุดลงเพราะร่างกายที่เราใช้เป็นเครื่องมือในการหาความสุขต่างๆมันก็เป็นของชั่วคราวในช้าก็เร็วมันก็จะต้องมีวันสิ้นสุดลงสิ่งต่างๆที่เราหามาได้ให้ความสุขกับเรามันก็เป็นของชั่วคราวได้มาแล้วเดี๋ยวมันก็ต้องมีวันหมดไป นี่คือความสุขที่พวกเรามีการหากันอยู่ในขณะนี้เป็นความสุขชั่วคราวเป็นความสุขที่จะทำให้เราต้องทุกเวลาที่มันหมดไปความเราจึงหนีไม่พ้นความทุกข์ตราบใดถ้าเรายังหาความสุขแบบนี้อยู่เพราะความสุขแบบนี้มันเป็นความสุขชั่วคราวนั่นเองเวลามีก็มีความสุข เวลาหมดก็จะเกิดความทุกข์ขึ้นมามเวลาที่เราร้องห่มร้องไห้กันสูญเสียคนที่เรารักไปสูญเสียสิ่งที่เรารักไปก็เพราะว่าเราสูญเสียความสุขที่เราได้จากคนที่เรารักที่เราได้จากสิ่งที่เรารักนั่นเองอแต่เราก็ทำอะไรไม่ได้ จะสั่งจะห้ามไม่ให้สิ่งที่เราลักคนที่เราลักนี้อยู่กับเราไปตลอดก็ไม่ได้ mm. เพราะนี่คือความจริงของโลกนี้ความจริงของโลกนี้ก็คือของต่างๆที่มีอยู่ในโลกนี้ที่ให้ความสุขกับเรามันจะเป็นมันจะมันเป็นของชั่วคราวมันมีเกิดแล้วเดี๋ยวมันก็ต้องมีดับ mm. มีเจริญแล้วมันก็ต้องมีเสื่อมไปเป็นธรรมดา <c oughs> ดังนั้นถ้าเรายังถ้าเรายังหาความสุขจากสิ่งเหล่านี้อยู่เราก็จะต้องเจอความทุกข์เวลาที่สิ่งเหล่านี้จากไปเปลี่ยนไปหรือหมดไปถ้าเราไม่อยากจะเจอความทุกข์เราก็ต้องเลือกหาความสุขแบบนี้กันแล้ว ถ้าเราเลิกหาความสุขแบบนี้แล้วเราจะอยู่กันได้อย่างไรเพราะที่เราอยู่กันได้มานี้ก็เพราะการหาความสุขจากสิ่งต่างๆเหล่านี้เองถึงแม้ว่าจะต้องเจอความทุกข์ก็ยอมทนเอาพอถึงเวลาสูญเสียก็ร้องห่มร้องไห้กันไปทุกไปสักระยะหนึ่งแล้วเดี๋ยวมันก็หายไปเหมือนโรคภัยไข้เจ็บเป็นได้สักพักหนึ่งแล้วเดี๋ยวมันก็หายไป แล้วเดี๋ยวมันก็กลับมาเป็นใหม่ความทุกข์ของเรามันก็เป็นแบบนี้มันก็มาเวลาที่เราสูญเสียความสุขสูญเสียสิ่งที่เรารักเราชอบไปหรือไม่ได้สิ่งที่เรารักเราชอบเราก็เสียใจเกิดความทุกข์ใจไปสักระยะหนึ่งแล้วเดี๋ยวมันก็หมดไปหมดไปเพราะว่าเราหาความเราได้สิ่งใหม่มาแทน เราได้คนใหม่มาแทนเราก็ได้ความสุขกลับคืนมาใหม่แล้วเดี๋ยวเราก็ต้องเสียมันไป อ, อ, อีกเพราะนี่คือธรรมชาติของสิ่งต่างๆมันเป็นอย่างนี้มันเป็นของชั่วคราวภาษาพระท่านเรียกว่าไม่เที่ยงอ น, นิจจงอ น, นิจจงอนัตตาไม่ได้เป็นของเราไปตลอด ไม่สามารถควบคุมบังคับให้มันเป็นของเราไปได้ตลอดให้มันให้ความสุขกับเราได้ตลอดพอมันเปลี่ยนไปมันหมดไปความทุกข์ก็เข้ามาแทนที่ถ้าเราไม่ต้องการเจอความทุกข์เราก็ต้องเลิกหาความสุขแบบนี้นี่ถ้าเราเลิกหาความสุขแบบนี้เราก็ต้องมีความสุขแบบใหม่มาทดแทน ความสุขแบบใหม่นี้คือสิ่งที่พระพุทธเจ้าต้องการให้เรามาศึกษากันมาศึกษาวิธีหาความสุขแบบใหม่ความสุขแบบของพระพุทธเจ้าความสุขแบบของพระพุทธเจ้านี้เป็นความสุขที่ไม่ที่ไม่มีวันเสื่อมไม่มีวันหมดถ้าหาได้หาเป็นได้หาได้แล้วรักษามันได้รู้จักรักษามันมันจะอยู่กับเราไปตลอด ไม่ว่าจะอะไรจะเกิดขึ้นก็ไม่เป็นปัญหาว่าความสุขแบบของพระพุทธเจ้านี้ไม่ต้องอาศัยคนนั้นคนนี้สิ่งนั้นสิ่งนี้มาให้ความสุขกับเราไม่ต้องอาศัยร่างกายเป็นเครื่องมือไปหาสิ่งนั้นสิ่งนี้ไปหาคนนั้นคนนี้มาให้ความสุขกับเราเราสามารถมีความสุขภายในตัวของเราเองได้นี่คือ หน้าที่ของพวกเรามาศึกษาวิธีหาความสุขแบบของพระพุทธเจ้าความสุขของพระพุทธเจ้าก็คือความสุขที่การที่เกิดจากการทำใจให้สงบความสงบของใจนี้แหละเป็นความสุขที่แท้จริงแต่เราไม่ค่อยเจอกันเท่าไหร่ไม่เคยเห็นกันทั้งทั้ ง, ท, งที่มันอยู่ในใจของเราเพราะเราไม่เคยทำใจให้สงบสักครั้ง เรามีแต่ทำใจให้หมุนอยู่ตลอดเวลาเหมือนลมพัดเนี่ยที่คอยพัดให้กังหันมันหมุนอยู่เรื่อยๆไม่เคยหยุดนะลมไ ม, ไม่หยุดพัดกังหันมันก็ไม่หยุดพัดฉัในใดใจของเรานี้ก็ไม่เคยหยุดสถทีไม่เคยหยุดคิดไม่เคยอยู่นิ่งๆเฉยๆไม่เคยหยุดความโลภความโกรธความหลงไม่เคยหยุดความอยากกัน ใจของเราเลยไม่เคยเจอความสุขที่เกิดจากความสงบที่เป็นความสุขที่ดีกว่าที่หนักกว่าที่ให้ความสุขมากกว่าความสุขที่เราได้จากสิ่งต่างๆจากบุคคลต่างๆแล้วก็เป็นความสุขที่จะไม่มีความทุกข์ตามมามีคือหน้าที่ของพวกเรามาศึกษาวิธีสร้างความสุขแบบใหม่กัน ความสุขแบบพระพุทธเจ้าความสุขแบบที่ไม่ต้องใช้คนนั้นคนนี้สิ่งนั้นสิ่งนี้ไม่ต้องใช้ร่างกายเป็นเครื่องมือหาความสุขเพราะตระบาบใดถ้าเรายังต้องใช้คนนั้นคนนี้สิ่งนั้นสิ่งนี้ใช้ร่างกายเป็นเครื่องมือหาความสุขอยู่เราก็จะต้องเจอความทุกข์เวลาที่เราสูญเสียสิ่งนั้นสิ่งนี้ไปสูญเสียคนนั้นคนนี้ไป หรือเวลาที่ร่างกายเราไม่สามารถที่จะทำหน้าที่หาความสุขให้กับเราได้เวลานั้นเราก็จะเจอแต่ความทุกข์กันแต่ถ้าเรามาหาความสุขแบบของพระพุทธเจ้านี้เราจะไม่ต้องใช้คนนั้นคนนี้ไม่ต้องใช้สิ่งนั้นสิ่งนี้ไม่ต้องใช้ร่างกายสิ่งที่เราต้องใช้ก็คือใจของเราความสามารถของใจของเรา เพื่อที่จะมาหยุดความอยากมาหยุดความคิดของใจของเราให้ได้ทั้งนั้นเองถ้าเราหยุดความคิดหยุดความอยากได้ใจของเราก็จะสงบพอใจสงบแล้วเราก็จะได้ความสุขที่เหนือกว่าความสุขทั้งปวงเหนือกว่าความสุขที่ได้จากข้าของเงินทองเหนือกว่าความสุขที่ได้จากได้ตำแหน่งได้ยศอะไรต่างๆ เหนือกว่าความสุขที่ได้จากการสัรเสริญยกย่องต่างๆเหนือกว่าความสุขที่ได้จากรูปเสียงกลิ่นรสต่างๆที่เราไปเสพไปสัมผัสกันเป็นความสุขที่มีน้ำหนักมากกว่าให้ความอิ่มความพอมากกว่าความสุขทางที่เรากำลังหากันนี้มันเป็นความสุขที่ทำให้เราหิวไม่ได้ทำให้เราอิ่ม พอได้มาแล้วมันหายไปพอหมดไปมันก็ทําให้เราหิวขึ้นมาอยากได้ใหม่อีกมันจะทําให้เราหิวกับความสุขแบบนี้อยู่เรื่อยต้องหามันมาอยู่เรื่อยแล้วพอเวลาหาไม่ได้ก็เกิดความทุกข์ใจขึ้นมาอันนี้คือความเปรียบการเปรียบเทียบระหว่างความสุขแบบของพระพุทธเจ้ากับแบบความสุขของพวกเราอ มันต่างกันเหมือนฟ้ากับดินความสุขของพระเจ้านี้เป็นความสุขที่ไม่มีความทุกข์ตามมาความสุขของพวกเรานี้มันมีความทุกข์รอเราอยู่ข้างหน้าเดี๋ยวไม่นานเดี๋ยวเราก็ต้องเจอความทุกข์กันจะหลีกยังไงก็หลีกไม่พ้นเพราะต่อไปร่างกายของเรามันจะไม่สามารถหาความสุขมาให้กับเราได้ ดังนั้นเราควรที่จะมาเรียนรู้วิธีหาความสุขทางใจกันเพราะเมื่อเราเรียนรู้แล้วเราก็จะได้นําออกไปปฏิบัติต่อเมื่อเราปฏิบัติได้แล้วเราก็จะมีความสุขได้โดยที่ไม่ต้องมีอะไรเป็นเครื่องมืออีกต่อไปเอันนี่คือหน้าที่ของเราศึกษา เรียกว่าคันธุระธุระของเราคันธุระแปลว่าศึกษาวิธีหาความสุขแบบของพระพุทธเจ้าแบบของพระอริยสงสาวกเมื่อศึกษาเรียนรู้วิธีแล้วก็นำเอาไปปฏิบัติปฏิบัติก็เรียกว่าวิปัสสนาธุระถ้าใครถามว่าชาวพุทธมีหน้าที่อะไร ก็ตอบเข้าไปเลยว่ามีสองหน้าที่มีธุระสองงานด้วยกันคือคันธะธุระศึกษาคําสั่งคําสอนศึกษาวิธีหาความสุขแบบใหม่แบบของพระพุทธเจ้าวิปัสสนาธุระเมื่อ ร, รู้วิธีหาความสุขแบบใหม่แล้วก็เอาไปปฏิบัติเอาไปหาเอาไปใช้กันพอใช้แล้วก็จะได้ความสุขแบบใหม่ขึ้นมา ความสุขที่จะอยู่กับเราไปเรื่อยๆจะไม่จากเราไปพอมันไม่จากเราไปความทุกข์ก็ไม่เกิดความทุกขเ์เกิดเพราะว่าเราสูญเสียความสุขกันความสุขที่เราหากันอยู่นี้เป็นความสุขที่จะต้องสูญเสียไปไม่ช้าก็เร็วพอเราสูญเสียความสุขที่เราได้มาไปความทุกข์มันก็จะเข้ามาทันที แต่ถ้าเรามีความสุขแบบที่ไม่สูญเสียแบบที่ไม่จากเราไปความทุกข์มันก็จะเข้ามาในใจของเราไม่ได้ใจของเราก็จะไม่มีความทุกข์กันนี่คือความแตกต่างระหว่างความสุขที่พวกเราหากันกับความสุขที่พระพุทธเจ้าและพระอริยสงฆ์สาวกหากันเป็นความสุขที่มีความทุกข์ กับความสุขที่ไม่มีความทุกข์ตามมาถ้าเราไม่อยากจะเจอความทุกข์เราก็ต้องเปลี่ยนวิธีหาความสุขอย่าหาความสุขจากลาบยศสรรเสริญอย่าหาความสุขจากรูปเสียงกลิ่นรสเพราะความสุขแบบนี้มันเป็นความสุขชั่วคราวพอเวลามันหมดไปความทุกข์มันก็จะเข้ามาแทนที่ทันที ให้มาหาความสุขแบบที่ไม่ต้องใช้ลาบยศสารเสริญไม่ต้องใช้รูปเสียงกลิ่นรสผุดถภาเกั น, กนความสุขแบบนี้ก็เกิดจากการที่เราต้องมาถือศีลถือมาบวชเนกขมะขมะเนกขมมะแปลว่าการออกจากการหาความสุขจากลาบยศสารเสริญจากรูปเสียงกลิ่นรสนั่นเองเช่นเวลาที่เรามาอยู่วัดเนี่ย มาถือศีลแปดนี้เรียกว่าเรากําลังมาบวชในขมมะในขมมะแปลว่าการออกจากการหาความสุขทางลาบยศจะรเสนทางรูปเสียงกลิ่นลดผลถั่วพะเราจะไม่ไปหาความสุขจากการได้เงินได้ทองจะไม่ไปหาความสุขจากการได้ยศได้ตําแหน่งต่างๆจะไม่หาความสุขจาก การได้รับการยกย่องสรรเสริญได้รับรางวัลอะไรต่างๆจะไม่หาความสุขจากการไปเสบรูปเสียงกลิ่นรสต่างๆเราจะมาหาความสุขอีกแบบหนึ่งคือความสุขที่เกิดจากการทําใจให้สงบนี่คือคันทะทุระศึกษาวิธีที่จะสร้างความสุขทางใจสร้างความสงบให้เกิดขึ้นมาในใจ วิธีจีจะสร้างพระพุทธเจ้าก็บอกว่าต้องสร้างด้วยศีลต้องสร้างด้วยสมาธิต้องสร้างด้วยปัญญานี่นี่แหละคือเครื่องมือสามชิ้นด้วยกันที่พระพุทธเจ้าส่งมอบให้กับพวกเราเอาไปใช้ในการสร้างความสุขขึ้นมาในใจของพวกเราความสุขที่เกิดจากความสงบนี้ต้องสร้างด้วยศีลด้วยสมาธิด้วยปัญญา ศีลนี้ก็ต้องเริ่มตั้งแต่ศีลหะศีลแปดขึ้นไปศีลห้า น, นี้ไม่พอกําลังไม่พอศีลห้า น, นี้มีไว้สําหรับป้องกันการกระทําบาปป้องกันไม่ให้ใจไปตกนรกไปเกิดนอบายแต่ไม่พอที่จะส่งให้ใจได้เข้าสู่ความสุขที่เกิดจากความสงบได้แต่ในเบื้องต้นถ้าเรายังรักษาศีลแปดไม่ได้ เราก็ต้องมาหักดรักษาศีลห้ากันให้ได้ก่อนตอนนี้รักษาศีลห้าได้หรื อ, อยังถ้ายังต้องมาเริ่มต้นที่ศีลห้าก่อนมาพยายามหัดรักษาตอนต้นอาจจะเอาวันหนึ่งก่อนก็ได้เช่นวันพระหรือวันที่เราสะดวกวันไหนที่เราคิดว่าวันนี้จะรักษาศีลห้าได้ก็ลองรักษาดูสักวันหนึ่งก่อนวันนั้นเราจะไม่ลักทรัพย์ เราจะไม่ฆ่าสัตว์ตัดชีวิตเราจะไม่ประพฤติผิดประเวณีเราจะไม่พูดปดเราจะไม่ดื่มสุรายามเม า, เอาลองรักษาดูถ้ารักษาได้วันหนึ่งแล้วก็ลองเพิ่มเป็นสองวันเพิ่มเป็นสามวันต่อไปก็เอามันทุกวันเลยรักษาให้มันได้ทุกวันตอนต้นเอาอาทิตย์ละวันก่อนแล้ว เ, เพิ่มเป็นอาทิตย์ละสองวัน เพิ่มเป็นอาทิตย์ละสามวันเพิ่มมันขึ้นไปเรื่อยๆจนกว่ามันจะรักษาได้ทุกวันเออพอเรารักษาสีหน้าได้ทุกวันแล้วขั้นต่อไปเราก็มาเพิ่มการรักษาสีแปดเอาอาทิตย์ละวันเหมือนกับตอนที่เรารักษาสีห้าเลือกอวันที่สะดวกการจะเลือกการที่จะรักษาสีแปด น, นี้ควรจะรักษาควบคู่ไปกับการ ไปนั่งสมาธิไปไปเจริญปัญญาก็ควรที่จะเอาวันที่เราไม่ต้องไปทำงานทำการแล้วไปรักษาที่วัดไปนั่งสมาธิที่วัดไปเจริญปัญญาที่วัดเพราะที่วัดนี้เป็นที่เหมาะกับการเจริญศีนสมาธิปัญญานั่นเองเพราะเป็นที่ที่ไม่มีอะไรมาคอยรบกวนใจ ถ้าไปรักษาศีลไปนั่งสมาธิไปเจริญปัญญาที่บ้านหรือที่อื่นนี้มันจะมีอะไรมาคอยบครบกวนใจเพราะที่อื่นนี้เขาจะมีกิจกรรมอย่างอื่นทำกันมีมหโสพมีบันเทิงมีการกินการดื่มมีการเล่นมีการทำอะไรต่างๆ มันก็จะไม่เหมาะต่อการที่เราจะมาสร้างความสุขทางใจมาทำใจให้สงบการจะทำใจให้สงบนี่เราต้องไปหาที่สงบที่วัดนี่วัดนอกจากเป็นที่สงบแล้วยังมีมีปัญญามีธรรมะคำสั่งคำสอนให้พวกเราได้ได้ยินได้ฟังกันด้วยงั้นถ้าอยากจะถือศีลแป อยากจะฝึกจิตใจให้สงบอยากจ ะ, จะเจริญปัญญาเราก็ต้องไปที่วัดกันวัดสมัยนี้ก็ต้องเลือกหน่อยเพราะบางวัดก็จะเปลี่ยนไม่ได้เป็นวัดที่ให้ศีลสมาธิปัญญาแล้ว mm hmm. กลับกลายเป็นเหมือนศูนย์การค้าไปเป็นเหมือนแหล่งบันเทิงไปมีมหรศพมีบันเทิงมีอะไรต่างๆเป็นตลาดนัดก็มีบางวัด อยากจะไปซื้อกับข้าวกับปลาเดี๋ยวนี้ไปที่วัดก็ได้มีตลาดนัดก็มีที่วัดดูภาพยนตร์ก็ดูที่วัดก็ได้เวลามีงานสมเจ้าภาพก็จะไปเอาภาพยนตร์มาฉายให้ดูถ้าเป็นวัดแบบนี้เราไม่ถือว่าเป็นวัดของพระพุทธเจ้าแล้วเป็นวัดของกิเลสตัณหาไม่ใช่เป็นวัดของพระอริยบุคคล ถ้เป็นวัดของพระ อ, อริยบุคคล น, นี้จะเป็นว่าที่ปราศจากมโรสถบันเทิงปราศจากกิจกรรมอะไรต่างๆทางโลกทั้งหมดจะมีแต่กิจกรรมทางธรรมจะมีแต่วิปัสสนาธุระมีแต่คันธะธุระมีการศึกษาธรรมะด้วยการฟังเทศฟังธรรม ม, มีการฝึกนั่งสมาธิด้วยการไหว้พระสวดมนต์เดินจงกรม มีการรักษาศีลแปดมีการรักษาศีลแปดรักษาศีลสิบรักษาศีลสองร้อยยี่บเจ็ดนี่คือวัดที่เราต้องไปกันเพื่อที่เราจะได้ทำใจให้สงบได้ทำให้เกิดความสุขใจขึ้นมาถ้าเรามีความสุขใจแล้วเราก็จะไม่ต้องไปหาความสุขแบบลาบยศจารสญ ไม่ต้องไปหาความสุขจากรูปเสียงกลิ่นรสต่างๆไม่ต้องไปเที่ยวที่นั่นไปเที่ยวที่นี่ไม่ต้องไปดูไปฟังให้นูน่นไปฟังให้นี่ไม่ต้องไปกินไปดื่มอะไรเพราะใจมันมีความสุขแล้วมันอิ่มมันไม่หิวมันไม่หิวกับราบยศสรรเสริญมันไม่หิวกับรูปเสียงกลิ่นรสนั่นเองนี่คือสิ่งที่เราต้องเรียนรู้ว่าเราจะมีศีลขึ้นมาได้อย่างไง ทุกคนมีศีลได้ถ้าตั้งใจจะมีมันไม่ยากหรอกมีแต่เราไม่อยอมไม่อยากจะทำเท่านั้นเองเพราะเราเคยทำแต่ผิดศีลเราเลยพอต้องมาทำให้มันถูกศีลเราก็เลยไม่อยากทำกันมันต้องปรับตัวเองเท่านั้นเองมันไม่ยากที่มันยากตรงที่มันต้องปรับตัวแต่ความจริงแล้วการมีศีลนี่มันง่ายกว่าการไม่มีศีลซะอีก การฆ่ากับการไม่ฆ่าไหนจะง่ายกว่ากันการฆ่านี้ต้องไปหาหมีดหาปืนมาแล้วต้องไปคอยดักไปคอยหาคนที่เราอยากจะฆ่าเหน็ดเหนื่อยแล้วต้องเสี่ยงภัยถ้าเกิดเขาต่อสู้ขึ้นมาเราก็อาจจะเจ็บแล้ ว, วาอาจจะถูกเขาฆ่าได้แต่ถ้าไม่ฆ่านี้อยู่เฉยๆก็ไม่ ก, ก็สบายละ การอยู่เฉยๆมันยากกว่าการไปหามีดหาปืนเพื่อไปฆ่าคนอื่นนะมันมันยากง่ายต่างกันการไม่ทำบาปนี่มันง่ายที่มันยากเพราะเรามันไม่เคยไม่ทาบาปกันเราเคยทำบาปจนมันเป็นนิสัยพอเราจะไม่ให้ทำบาปขึ้นมามันก็เลยรู้สึกยากขึ้นมาพอไม่ให้พูดปลดเนี่ยมันรู้สึกยากเหลือเกินเพราะมันพูดทีใดมันพูดปดทุกที ไปไหนมาเปล่าเนี่ยปฏิเสธก่อนแนละ้วทั้งๆ ท, ที่ไป <S <S ไปเที่ยวมาไปไปไหนเปล่าไม่ได้ไปทาอะไรเปล่าไม่ได้ทำอะไรเอี่มันโกหกจนติดเป็นนิสัยไปแล้วพวกคนฟังก็ก็รู้ว่าโกหกแล้วก็เชื่อจนติดเป็นนิสยัยถือว่าเป็นเรื่องธรรมดาไปนี่คือ เรื่องของการทำรักษาศีลมันยากเพราะว่าเราไม่เคยทำมันเท่านั้นเองเหมือนกับเราไม่เคยใช้มือที่เราไม่ถนัดเนี่ยถ้าเราถนัดมือขวาแล้วเราต้องมาใช้มือซ้ายดูสิเราจะไม่ชอบใช้เพราะมันไม่เคยใช้มันมันรู้สึกยากให้เขียนหนังสือมือที่เราไม่เคยเขียนดูเขียนไม่ได้เขียนได้แต่มันก็ยากเลยไม่ชอบเท่านั้นเอง แต่ถ้าเกิดมีปัญหากับมือที่เราถนัดมือที่ถนัดมันขาดเรือมันเสียไปเราเหลือมือที่เราไม่ถนัดเราก็ต้องมาหัดใช้มันพอหัดใช้ไปเรื่อยๆต่อไปมันก็ถนัดเหมือนกับมือขวามือที่เราเคยถนัดเนี่ยอันนี้ก็เหมือนกันการมีศีลกับการไม่มีศีลมันก็เป็นแบบนี้ตอนนี้เราถนัดกับการไม่มีศีลกันเอ พอเราจะต้องมามีศีลเราก็เลยรู้สึกว่าแหมมันยากเย็นเหลือเกินต้องคอยระมัดระวังพอยุ่งมากะจะตบมันนี้ก็ตบไม่ได้พอเห็นมดเห็นมแมลงนี้จะฆ่ามันก็ฆ่าไปไม่ได้เพราะมันเคยทำมาจนติดเป็นนิสัย<ม>ก็เลยรู้สึกว่ามันยากไม่อยากจะทำแต่เราต้องคิดถึงประโยชน์ที่เราจะได้รับจากการมีศีล ประโยชน์การมีศีลก็มีหลายอย่างมีศีนลนะมันก็จะทําให้เราไม่มีบาปติดตัวกับเราไปเวลาเราตายไปอถ้ามีบาปติดตัวไปเดี๋ยวเราต้องไปใช้บาปต้องไปเกิดในอบายแทนที่จะไปเกิดเป็นมนุษย์เป็นเทวดาก็ต้องไปเกิดเป็นเดรัจฉานไปเกิดเป็นเปรตเป็นผีไปตกนรกเนี่ยอันนี้ แล้อีกอย่างหนึง่งประโยชน์ก็คือมันจะเป็นเครื่องมือที่เราจะได้เอามาใช้ในการทําใจให้สงบนั่นเอง <Yeah. S 1> ถ้าเราอยากจะมีความสุขถ้าเราไม่ต้องการที่จะมีความทุกข์เราก็ต้องมาหัดรักษาสีนกันให้ได้ตอนต้นก็หัดรักษาสีห้าก่อนถ้าสีห้ายังไม่ได้เอาสีสี่ก่อนก็ได้ สินสี่ไม่ได้เอาศินสามก็ได้ศินสองก็ได้หรือศินหนึ่งก็ได้เอาสักข้อหนึ่งก่อนก็ได้พอได้ข้อหนึ่งแล้วค่อยเพิ่มเป็นอีกข้อหนึ่งเพิ่มไปเรื่อยๆเดี๋ยวก็ได้ครบห้าข้อพอครบห้าข้อก็เพิ่มขึ้นไปเอาหกข้อที่หกเอาข้อที่เจ็ดเอาข้อที่แปดต่อไปเราก็รักษาได้ ทำจากน้อยไปหามากสิถ้ามันถ้าทาทีเดียวทั้งหมดมันยากก็เอาทําแบบง่ายๆไปก่อนอาจทําทีละเล็กทีละน้อยเหมือนเรียนหนังสือเราไม่ได้เข้าโรงเรียนไปสมัครที่มหาวิทยาลัยเลยตอนนี้เราเริ่มเริ่มต้นเรียนหนังสือแล้วก็ไปสมัครเรียนอนุบาลก่อนอนุบาลมันง่ายกว่าเรียนชั้นประถมชั้นประถมมันก็ง่ายกว่าเรียนชั้นมัธยม ชั้นมัธยมมันก็ง่ายกว่าเรียนชั้นมหาวิทยาลัยเอเห็นถ้าเราเริ่มจากชั้นที่ง่ายเราก็จะไต่เต้าขึ้นไปได้เองเดี๋ยวเราก็รักษาได้ตอนต้นเอาศีลศีลหนึ่งก่อนก็ได้แล้วก็เพิ่มเป็นศีลสองศีล ส, สามศีล ส, สี่ศีลห้าศีลหกศีลเจ็ดศีลแปดไป แล้วถ้าอยากจะเพิ่มมากกว่านั้นก็ไปบวชเป็นพระก็ได้ศีล2องยขึ้นมาถ้าไปบวชเป็นภิกษุณีก็ได้ศีลสามอสิบดขึ้นมาอันนี้ถ้าเรามีความต้องการจะรักษาศีลเรารักษาได้ถึง แ, แม้ตอนนี้จะไม่มีภิกษุณีแล้วแต่ศีลภิกษุณียังมีอยู่ไม่มีภิกษุณีไม่มีคนรักษาศีลของภิกษุณี แต่ไม่ได้ทําให้ศีลของภิกษุณีหายไปไหนศีลของภิกษุณีก็ยังมีอยู่ถ้าอยากจะรักษาศีลของภิกษุณีก็รักษาได้การเป็นภิกษุณีเป็นเพราะอะไรก็เป็นเพราะว่ารักษาศีลของภิกษุณีได้นั้นเองก็เป็นภิกษุณีได้แล้วไม่เห็นจะว่าเป็นจะต้องไปให้ใครเข้ามารับรองเราเป็นภิกษุณี ไม่ต้องไปให้มีการบวชการอะไรเราบวชเองก็ได้บวชตัวเราเองสถาปนาตัวเราเองขึ้นมาเป็นภิกษุณีก็ได้ภิกษุณีรักษาศีลไดไหล่เราก็รักษาไปสิดีกว่าให้คนหนึ่งเขามาสถาปนาให้เราเป็นภิกษุณีแล้วเราไม่รักษาศีลของภิกษุณีสู้เราสถาปนาตัวเราเองภิกษุนณีแล้วเรารักษาศีลของภิกษุณีให้ได้มันอันไหนจะดีกว่ากัน มันไม่ได้อยู่ที่การสถาปนาหรอกมันอยู่ที่การรักษาศีลของภิกษณุณีว่ารักษาได้หรือไม่ได้เดฉงนั้นคนที่อยากจะเป็นภิกษณุณีเป็นได้เป็นของเราเองไม่ต้องไปให้คนอื่นเข้ามาเป็นร้างเราให้เป็นไม่ต้องให้เขามาบวชให้เราเราก็เป็นได้เพราะเวลาบวชเสร็จแล้วต้องไปทำอะไรต่อออกจากบวชก็ต้องไปรักษาศีลของภิกษุณีอยู่ดีใช่ไหม เหตนจะเข้าบสถ์หรือไม่เข้าโบสถมันก็ไม่เป็นตัวสําคัญตัวสําคัญอยู่ที่ว่ารักษาศีลของภิกษุณีได้หรือไม่ถ้ารักษาศีลของภิกษุณีได้ก็เป็นภิกษุณีได้โดยที่ไม่ต้องเข้าไปโบสถ์ไปบวชในโบสถก็ได้เพียงแต่ว่าจะไม่มีใครเขาม า, า, มาสนับสนุนเราเท่านั้นเอง ก็พระพุทธเจ้าตอนพระพุทธเจ้าปฏิบัติมีใครมาสนับสนุนพระพุทธเจ้าก็ไม่มีพระพุทธเจ้าก็ไม่แคร์ใช่ไหมพระพุทธเจ้าท่านก็ปฏิบัติศีลสมาธิของท่านไปพอท่านบรรลุแล้วทีนี้พอคนรู้ว่าท่านวิเศษแล้วทีนี้เขาก็มาสนับสนุนเองที่มาสนับสนุนไม่ใช่เพราะว่าท่านบวชเป็นพระ ที่มาสนับสนุนเพราะว่าท่านเป็นพระการบวชเป็นพระกับการเป็นพระมันไม่เหมือนกันเข้าใจไหมการบวชเป็นพระใครๆก็บวชได้ใช่แต่การเป็นพระนี่มันทำไม่ได้คนอื่นมาทำให้เราเป็นพระไม่ได้เราต้องเป็นพระเองการจะเป็นพระเองก็ต้องมีศีลต้องมีศีลถึงจะเป็นพระได้ ตอนนี้สมัยนี้เรามันกลับกันไปซะเราไปคิดว่าการเป็นพระต้องให้คนอื่นเข้ามาบวชให้เราพอมีการเข้าไปในโบสถ์ออกมาก็เป็นพระขึ้นมาทันทีเอแต่สมัยก่อนเขากลับกันเขาเป็นพระก่อนแล้วถึงค่อยมาบวชพวกที่มาศึกษาจากพระพุทธเจ้าพอบรรลุเป็นพาาาระอรหันต์แล้วถึงขอบวชเป็นพระเอเป็นพระแล้วถึงค่อยมาขอบวชเป็นพระเข้าใจไหม สมัยนี้ยังไม่เป็นพระเป็นปุถุชนก็ข อ, ขอบวชเป็นพระอริยะแล้วมันเป็นไม่ได้แล้วเป็นได้ก็แต่ที่ร่างกายได้กอนหัวได้ห่มผ้าเหลืองแต่ใจก็ยังเป็นลิงเหมือนเดิมอยู่ <c oughs> ใจยังไม่เป็นพระนะหลวงตามหมาบัวท่านบอกว่ากิเลสมันไม่กลัวผ้าเหลือง แต่ไม่คิดว่ากหัวห่วมผ้าเหลืองแล้วกิเลสมันจะตายนะมันไม่ตายหรอกนะบวัวร้าความโลภความโกรธความหลงก็ยังมีอยู่ในใจอยู่ในดังนั้น ม, มีผ้าเหลืองไว้ไว้ห่มกันไว้กิเลสมันก็ไม่กลัวอถ้ากิเลสมันกลัวคนขายผ้าเหลืองนี่มันไม่มีกิเลสแล้วล่ะดังนั้นร้านที่เขาขายผ้าเหลืองนี่มันเป็นร้านที่โอ้ยมีผ้าเหลืองเต็มไปหมดเลย คนขายขายผ้าเหลืองมันก็ต้องไม่มีกิเลสเลยเพราะบารมีของผ้าเหลืองจะคอยกําจัดกิเลสที่มีอยู่ให้มันหมดไปแต่มันไม่หมดด้วยผ้าเหลืองหรอกกิเลสตัณหามันจะหมดด้วยคันทัตุระวิปัสนาทุระเท่านั้นเองมันจะหมดได้ด้วยศีลหมดด้วยสมาธิหมดด้วยปัญญาเเนนีี่่ยเราถึงต้องมาฝึกวิธีเป็นพระกัน วิธีเป็นพระก็ต้องมีศีลหันรักษาศีลกันพอเราเล่ารักษาศีลแตะได้เราก็จะมีเวลาไปนั่งสมาธิได้มีเวลาไปฟังเทศฟังธรรมได้แต่ามาเราไม่รักษาศีลแตะนี้กิเลสมันจะดึงเราไปเที่ยวไปกินไปดื่มไปเล่นกันเพราะศีลห้าไม่ห้ามศีลห้าบอกไปได้อยากจะไปเที่ยวที่ไหนไปได้ อยากจะไปดูหนังฟังเพลงไปได้อยากจะไปกินไปดื่มเวลาไหนไปได้ก็ถ้าไปมันก็จะไม่มีเ ว, มเวลาที่จะมาอยู่วัดมาหัดนั่งสมาธิมาหัดทำใจให้สงบมาฟังเทศฟังธรรมเพื่อให้เกิดปัญญาขึ้นมานั่นเองเอนี่แหละคอือหน้าที่ของศีลเราต้องการมีศีลเพื่อเราจะได้ ปามกิเลสตัณหาตัวที่จะคอยดึงให้เราไปทํากิจกรรมทางรูปเสียงกลิ่นรสทางตาหูจมูกลินกายมันจะคอยดึงให้เรากลับไปหาความสุขที่จะมีความทุกข์ตามมานั่นเองแต่ถ้าเราถือสีหน้าชิแปดได้มันจะเบรกมันจะเป็นกำแพงเหมือนกับเราสร้างรั้วสร้างกำแพงสร้างคอกขึ้นมาเพื่อให้ไม่ให้ใจออกไปจากคอกนี้ ไม่ให้ไปหาความทุกข์ที่เกิดจากการหาความสุขแบบชั่วคราวเมื่อเราถูกขงัของอยู่ในข้อออกไปหาความสุขข้า ง, งนอกไม่ได้เราก็ต้องหาความสุขข้างในข้อกันความสุขข้างในข้อก็คือความสุขที่เกิดจากการมาหัดนั่งสมาธิการจะนั่งสมาธิได้ก็ต้องมีสติก่อนถ้าไม่มีสตินี้ควบคุมความคิดความอยากไม่ได้ เวลานั่งจะรู้สึกอึดอัดลำคาญเจ็บตรงนั้นปวดตรงนี้ขึ้นมาแต่ถ้ามีสติคอยควบคุมความคิดความอยากได้ความคิดความอยากมันจะเบาลงเบาเบาบางลงมันจะทำให้อาการรู้สึกหงุดหงิดอึดอัด <c oughs> เวลาที่จะต้องนั่งสมาธินี้มันหายไปอย่างนั้นก่อนที่เราจะมาฝึกจิตทำจิตให้สงบ เราต้องฝึกสติก่อนต้องคอยควบคุมลดความคิดให้มันน้อยลงคิดให้น้อยลงไปเวลามันจะคิดก็เอาความคิดที่จะมาหยุดความคิดเช่นพุทธโธ ให้เรามาพุทโธพุทโธหรือมาสวดมนต์กันเวลาสวดมนต์เราก็จะไปคิดถึงเรื่องนั้นเรื่องนี้ไม่ได้คนนั้นคนนี้ไม่ได้ถ้าเราตั้งใจสวดแต่ถ้าเราไม่ตั้งใจสวดมันก็มันก็สวดไปด้วยคิดไปด้วยถ้าสวดไปด้วยคิดไปด้วยก็อย่าไปสวดให้เสียเวลาเพราะการสวดนี้ต้องการไม่ให้ไปคิดวิธีที่จะสวดแบบไม่คิด ก็ต้องตั้งใจสวดอย่าไปสวดแบบใจลอยๆอยสวดไปแต่ใจก็ลอยไปคิดกับเรื่องนั้นเรื่องนี้หรือพุโทโธก็เหมือนกันอย่าพุโทโธแบบลอยๆอยต้องตั้งใจพุโทโธพุโทโธต้องมีความตั้งใจทุกคําพูดพุดโทโธพุโทโธถ้าเราพุโทโธไปแบบลอยลอยเดี๋ยวพุโทโธไปปับ๊บเดี๋ยวก็คิดถึงคนนั้นคนนี้เรื่องนั้นเรื่องนี้ไป ถ้าทำแบบนี้ใจก็ยังลอยใจก็ยังคิดใจก็ยังมีความอยากอยู่มันก็จะทำให้ไม่ไม่สามารถนั่งสมาธิได้นั่งได้ปับเดียวก็อยากจะลุกแล้วทนไม่ได้อึดอัดนั้นต้องหัดฝึกสติให้ควบคุมความคิดให้ได้ก่อนวิธีที่จะมีสติก็ต้องเวลาท่องพุทโธหรือเวลาสวดมนต์นี้ต้องทาด้วยความตั้งใจ ด้วยใจที่จดจอ่ออยู่กับพุทธโธพุทธโธอยู่กับบทสวดมนต์อย่างเดียวถ้าเราสวดไปอย่างเดียวไม่ไปคิดอะไรใจเราจะเบาลงเย็นลงมีความรู้สึกสบายขึ้นมีความสุขมากขึ้นมันจะทำให้เรารู้สึกว่านั่งเฉยๆนี่มันสบายก็จะทำให้เรานั่งดูลมหายใจต่อได้หรือนั่งพุทธโธพุทธโธไปก็ได้ สองอย่างนี้ใช้แทนกันได้จะนั่งแล้วพุโทโธพุโทโธไปหรือจะนั่งแล้วดูลมหายใจไปก็ได้นั่งไปเรื่อยๆพุโทโธไปเรื่อยๆดูลมไปเรื่อยๆอย่าไปหวังผลอย่าไปอยากให้มันสงบถ้าไปอยากให้มันสงบแล้วมันจะไม่สงบอย่าไปคิดว่าจะต้องสงบอย่าไปหวังอะไรทำเป็นไม่รู้ไม่ชี้ไปมีหน้าที่พุโทโธก็พุโทโธไปอย่างเดียว มีหน้าที่ดูลมก็ดูลมไปอย่างเดียวอย่าไปคิดอะไรอย่าไปหวังอะไรอย่าไปคาดอะไรเพราะถ้าไปหวังไปคาดมันจะไม่ได้พุโทโธมันจะไม่ได้ดูลมนั่นเองมัวแต่ไปนั่งคาดนั่งหวังนั่งอยากมันก็เลยไม่สงบจทีเวลานั่งแล้วอย่าไปคาดอย่าไปหวงังอย่าไปอย า, ไอยากให้มันอยู่แค่พุโทโธพุโทโธพุโทโธไปจดจ่ออยู่กับพุโทโธไป หรือดูลมหายใจจดจ่ออยู่กับการดูลมหายใจไปเพล็ดรับก็คือคาว่าจดจอ่อใจเราต้องจดจอ่อต้องตั้งอยู่กับเรื่องเดียวเรื่องที่เรากำลังทำอยู่ต้องให้มันจดจ่ออยู่กับพุโทโธมันจะไปคิดอะไรอย่าไปสนใจมันมีอะไรเข้ามารบกวนใจก็อย่าไปสนใจให้จดจ่ออยู่กับพุโทโธพุโทโธไปจดจ่ออยู่กับดูลมหายใจไป แล้วใ จ, จมันก็จะเข้าสู่ความสงบได้พอสงบแล้วใจจะเบาเหมือนได้ยกภูเขาออกจากอกอะไรต่างๆที่มันรู้สึกอึดอัดมันจะหายไปเวลาใจสงบสงบแล้วเย็นสบายไม่มีอารมณ์กับอะไรไม่นักไม่ชังไม่กลัวไม่หลงจะรู้สึกมีความสุขจะรู้สึกว่าปลอดภัย อันนี้แหละเป็นผลที่เราจะได้จากการฝึกสติฝึกสติก่อนมานั่งอย่ามาฝึกสติตอนที่นั่งมันไม่พอต้องฝึกไว้ก่อนต้องเตรียมสติไว้ก่อนเหมือนกับนักมวยต้องซ้อมชกก่อนค่อยขึ้นเวทีชกไม่ใช่ไปซ้อมชกบนเวทีก็จะกลายเป็นกระสอบทรายให้คู่ชกเขาเขาเขาชกเท่านั้นเนี่ยเราต้องซ้อมก่อนที่เราจะขึ้นเวที ตอนที่เราจะนั่งสมาธินี่เราต้องฝึกสติให้มากๆก่อนให้สามารถควบคุมความคิดได้ให้สามารถสวดมนต์ได้ให้สามารถพุโทโธอยู่กับพุโทโธได้หรือให้สามารถหยุดความคิดได้พอมันจะคิดอะไรก็สั่งให้มันหยุดได้ถ้าสั่งให้มันหยุดได้ทีนี้ก็สบายพอมันจะคิดก็เบรกมันพอมันจะคิดก็เบรกมัน แล้วเดี๋ยวมันก็จะสงบตัวลงนะสตินี้สำคัญเป็นเหตุของการนั่งสมาธิถ้าสมานั่งสมาธิโดยไม่มีสตินั่งไม่ได้จะไม่มีสมาธิเกิดขึ้นมาสมาธิแปลว่าความสงบของใจความนิ่งสงบของใจเรียกว่าสมาธิผู้ที่จะมาทำใจให้นิ่งสงบได้คือสติ ถ้าไม่มีสติแล้วก็เหมือนหุงข้าวแบบไม่มีไฟแบบไฟดับนี่น้องเสียบปังแล้วหุงข้าวดูเลยอีกสองชั่วโมงมาดูข้าวมันก็ยังเหมือนเดิมอยู่นั่นนะเพราะมันไม่มีไฟสมาธิก็เหมือนกันถ้านั่งแบบไม่มีสตินั่งแล้วใจลอยคิดถึงคนนั้นคิดถึงคนนี้คิดถึงเรื่องนั้นคิดถึงเรื่องนี้นั่งไปสิบชั่วโมงมันก็ไม่สงบแต่ถ้านั่งแบบมีสติห้านาทีมันก็สงบ ใช่ไหมพอมีไฟฟ้าเสียบปลั๊กเข้าไปข้าวเดี๋ยวไม่กี่นาทีก็สุกแล้วแต่ถ้าไม่มีไฟนี้เสียบไปเถอะกีชั่วโมงมันก็ไม่มีไม่ไ ม, ม, มีมันจะไม่ทำให้ข้าวสุก ข, ขึ้นมาได้ ชันใดอันนี้ก็เหมือนกันนั่งสมาธิไปถ้าไม่มีสติคอยควบคุมความคิดคอยหยุดความคิดปล่อยให้มันคิดไปเรื่อยนั่งไปยังไงมันก็ไม่มีวันสงบได้ถ้าต้องการจะให้มันสงบนี้ต้องมีสติคอยควบคุมความคิดคอยหยุดความคิดให้ได้แล้วเวลานั่งแล้วมันก็จะสงบได้อย่างรวดเร็วห้านาทีสิบนาทีก็สงบได้ทันทีนี่คือ การที่เราจะหาความสุขแบบใหม่ต้องหาความสุขแบบนี้เพราะพอเรารู้จักหาความสุขแบบนี้แล้วเราจะหาได้ตลอดเวลานั่งกายนี้จะอิ่มหรือจะหิวจะสบายหรือไม่สบายจะเจ็บหรือไม่เจ็บจะเป็นหรือจะตาย จะไม่เป็นอุปสรรคต่อการทำใจให้สงบถ้าเรามีสติเราสามารถเวลาเจ็บไข้ได้ป่วยนอนอยู่บนเตียงก็พุโทโธได้ดูลมได้หยุดความคิดได้ทำใจให้นิ่งให้สงบได้โดยที่ไม่ต้องอมีอะไรมาให้ความสุขกับเราเ เพราะตอนนั้นร่างกายเจ็บอะไรก็ไม่อยากจะดูแลอะไรก็ไม่อยากจะฟังแล้วมีอะไรให้ดีขนาดไหนก็ไม่อยากจะเอาละเพราะร่างกายมันไม่อยากจะรับอะไรละให้ดูหนังฟังเพลงมันก็ไม่เอาให้ไปร้องเต้นร่างเต้นกามันก็ไม่อยากจะเต้นละให้มันกินอาหารรสดีขนาดไหนมันก็ไม่อยากจะกินะมันไม่มีความสุขกับสิ่งเหล่านี้ละเพราะร่างกายมันรับไม่ได้นะ แต่สิ่งที่มันยังรับได้อยู่ก็คือ ค, อความสงบของใจ เ, เวลาเจ็บไข้ได้ป่วยใจยังไม่มีความทุกข์ถ้ารู้จักทำใจให้สงบถูกทาสมาธิไปพุทโธพุทโธไปดูลมหายใจไปสวดมนต์ไหว้พระไปแล้วแต่เราจะถนัดเราชอบวิธีสร้างสติแบบไหนเราก็ใช้วิธีนั้นไปชอบสวดมนต์ก็สวดตั้งแต่ต้องสวดแบบยาวๆไม่ใช่สวดแบบ อ่ากูลาบลินสวดปั๊บปบปั๊บจบแล้วนีงไม่ใช่สวดไปเรื่อยๆชั่วโมงสองชั่วโมงสวดไปอย่างนี้แล้วต่อไปมันใจมันจะมีกําลังมากมีสติมากมีสติที่จะมาควบคุมความคิดหยุดความคิดทําใจให้สงบทําใจให้มีความสุขได้ ดังในเบื้องต้นนี้พอรักษาศีลแปดได้พอไปอยู่วัดได้แล้วทีนี้ก็ต้องไปฝึกสติก่อนไม่ว่าจะทำอะไรเดินยืนนั่งนอนให้มีอะไรคอยควบคุมหยุดความคิดจะใช้คบรกิกรรมพุโทโธก็ได้จะใช้การจดจอ่อบังคับใจให้อยู่กับร่างกายก็ได้นั่งกายกำลังทำอะไรให้รู้อยู่ทุกขณะ กำลังเดินก็รู้ว่าเดินกำลังก้าวเท้าซ้ายก็รู้ว่าก้าวเท้าซ้ายก้าวเท้าขวาก็ก้าวเท้าขวาไม่ให้ไปคิดเรื่องนั้นเรื่องนี้ให้อยู่กับเรื่องของร่างกายเรื่องของการเคลื่อนไหวของร่างกายเพียงอย่างเดียวเอ อ, อย่างนี้ก็เป็นการเจริญสติได้อีกแบบหนึ่งถ้าเราไม่อยากจะใช้คําบริกรรมพุทธโธพุทธโธเราก็ดูการเคลื่อนไหวของร่างกายการกระทําต่างๆของเนื้อง่าย อย่าให้มันไปที่อต้องจดจอ่อเหมือนกับจดจ่ออยู่กับพุทโธจดจ่ออยู่กับการเคลื่อนไหวของร่างกายร่างกายกินก็กินกับร่างกายไปร่างกายเคี้ยวก็เคี้ยกับร่างกายร่างกายกลืนก็กลืนไปกับร่างกายให้อยู่กับร่างกายทุกขณะจิตไม่ให้ไปที่อื่นไม่ให้ไปคิดเรื่องนั้นเรื่องนี้คนนั้นคนนี้สิ่งนั้นสิ่งนี้ ถ้าทำอย่างนี้ได้เวลามานั่งสมาธิมันให้มันอยู่กับลมมันก็จะอยู่กับลมเพียงอย่างเดียวมันก็จะจดจ่ออยู่กับลมเข้าลมออกมันก็จะไม่ไปคิดเรื่องนั้นคิดเรื่องนี้พอไม่คิดเดี๋ยวจิตก็จะนิ่งจะจะเข้าสู่ความสงบเข้าสู่สมาธิขั้นต้นก็จะเป็นคณิกะสมาธิเข้าไปได้แป๊บเดียวแล้วก็ถอนออกมาเรียกว่าคณิกะสมาธิเพราะสติยังมีกาลังไม่มากพอ แต่พอมาฝึกสติเพิ่มขึ้นเพิ่มขึ้นเรื่อยๆต่อไปพอสงบแล้วมันก็ตั้งอยู่ได้นานพอตั้งอยู่ได้นานเราก็เรียกว่าอัปปนาสมาธิขั้นต้นก็เป็นกานิกะสมาธิต่อไปก็จะเป็นอัปปนาสมาธิแล้วพอเราได้อัปปนาสมาธิเราก็จะเพิ่มเวลานั่งให้ได้นานขึ้นเคยนั่งทีละ ยี่สิบนาทีก็เป็นสามสิบนาทีสี่สิบนาทีห้าสิบนาทีชั่วโมงชั่วโมงครึ่งมันจะไม่รู้สึกทรมานเวลาใจสงบเวลาจะผ่านไปอย่างรวดเร็วออกมาเหมือนกับ น, นั่งปั๊บเดียวดูนาฬิกาโอ้ยผ่านไปต้องชั่วโมงะนะคามจริงมันปั๊บเดียวเหมือนปั๊บเดียวเวลาอยู่ในสมาธินี่นี่ะคือการฝึกจิตเพื่อให้เกิดความสงบ ข, ขึ้นมา ความสุขระดับสมาธินี่ยังถือว่าเป็นความสุขแบบชั่วคราวอยู่เพราะเวลาออกจากสมาธิมาความสงบมันก็จะค่อยหายไปถ้าไม่อยากให้มันหายก็ต้องใช้สติรักษาต่อแต่ถ้าไม่ได้ใช้สติมันก็จะหายได้ถ้าเผลอสติถ้าอยากจะให้มันไม่หายเลยนี่ต้องเปลี่ยนวิธีรักษาจากการใช้สติใหมาหัดใช้ปัญญา ปัญญาจะบอกให้เรารู้ว่าเหตุที่ทำให้ใจเรานี้หายจากความสงบเวลาออกจากสมาธิก็คือเวลาเกิดความอยากต่างๆขึ้นมาเวลาอยากดูอยากฟังอยากกินอยากดื่มนี่ใจมันจะเริ่มกวนกวายกระสรับกระสายขึ้นมา ถ้าเราต้องการให้ใจกลับไปสงบไม่กระวนกระวายกระสับกระส่ายเราก็ต้องหยุดความอยากวิธีที่จะหยุดความอยากก็ต้องให้เราเห็นว่าสิ่งที่เราอยากได้นั้นมันเป็นความสุขชั่วคราวมันเป็นความสุขที่หมดพอหมดแล้วเดี๋ยวมันก็จะเกิดความทุกข์ตามมางั้นอย่าไปหาความสุขแบบนี้พอเห็นว่าความอยากที่จะหาความสุขแบบนี้จะกลายเป็นความทุกข์ก็จะหยุดความอยากได้ คือให้เห็นสิ่ง ต, งต่างๆที่เราอยากได้ว่าเป็นอนิจจังทุกขังอนัตตาเป็นอนิจจังเป็นความสุขชั่วคราวเป็นความสุขที่เราไม่สามารถที่จะครอบที่จะยึดเอาไว้เป็นของเราได้ตลอดเวลาเป็นอนัตตาเป็นของเราเพียงชั่วคราวแล้วพอมันจากเราไปมันก็จะทําให้เราทุกข์ขึ้นมาเออนี่คือปัญญาที่เราจะต้องใช้ เพื่อรักษาความสงบที่เวลาเราได้จากสมาธิพอออกจากสมาธิมานะพอเกิดความอยากก็ต้องใช้ปัญญามาระงับมันทันทีพอระงับมันได้มันก็ใจก็สงบต่อไปได้โดยที่ไม่ต้องเข้าไปในสมาธิแล้วต่อไปพอความอยากต่างๆถูกกำจัดถูกกำรทำลายไปหมดแล้ว ที่นี้ใจก็จะสงบจะสุขไปตลอดเวลาสุขไปอย่างถาวรสุขอย่างไม่มีวันสิ้นสุดอย่างความสุขใจของพระพุทธเจ้าเนี่ยผ่านมาสองพันห้าร้อยกว่าปีแล้วยังสุขเหมือนวันที่ทรงตัดทะลุในวันแรกวันเพ็นเดือนหกนี่เป็นวันเริ่มต้นของความสุขของพระพุทธเจ้ามาบวกกับสองพันห้าร้อยหกสิบสองปีกับสี่สิบห้า เาวันตัดจารุของพระพุทธเจ้าวันที่ได้ความสุขที่ถาวร น, นี้เป็นระยะเวลา45ปีก่อนที่ท่านจะตายแล้วพุทธศักราชนี้เราเริ่มต้นที่วันตายของพระพุทธเจ้าเราก็เอาวันพุทธของของปีพุทธศักราชปีนี้2562บวกกับอีก45ปีก็ได้2607นี่วันนี้บอกขวยนะมีได้ให้ไปคิดได้เยอะแยะเลยเนะี่ย 2607นนี่คือความสุขของพระพุทธเจ้าที่ที่ท่านได้มาตั้งแต่วันแผ่นเดือนหในวันวิสาขาบูชานั่นแหละนี่แหละคืออายุความยาวนานของความสุขของพระพุทธเจ้าความสุขที่ไม่มีวันสิ้นสุดและจะเป็นอย่างนี้ต่อไปอย่างไม่มีวันสิ้นสุด เพราะความสุขนี้เป็นความสุขที่ถาวรที่จะอยู่คู่กับใจไปตลอดอนันตการพระใจของพระพุทธเจ้าใจของพวกเรานี้ไม่มีวันตายต่างกันตรงที่ว่าใจของพระพุทธเจ้ามีแต่บรมสุขแต่ใจของพวกเรามันมีบรมทุกข์สลับกับความสุขเล็กๆน้อยๆเวลาได้สิ่งที่เราอยากได้มาก็เกิดความสุขเดียววเดียเด๋ยวมันก็หมดไปความทุกข์ก็เข้ามาใหม่นี่คือความ ใจของพวกเราเป็นแบบนี้แล้วจะเป็นแบบนี้ไปเรื่อยๆจนกว่าเราจะมาทําธุระของเราให้สําเร็จทำคันถะธุระทำวิปัสสนาธุระให้สําเร็จกันถะธุระก็มาศึกษาวิธีสร้างความสุขที่ถาวรว่าสร้างแบบสร้างได้อย่างไรพอรู้วิธีสร้างแล้วก็ต้องไปสร้างเหมือนกับนักเรียนที่ก็ไปเรียนสร้างบ้านสร้างอาคารกันก็ไปเรียนวิศวะเรียนช่างกัน เราเขาจบมาเขาก็ไปสบตะ ง, งานทำงานบริษัทสร้างบ้านสร้างอะไรเขาก็เอาวิชาความรู้ที่เขาเรียนมานี้ไปใช้ในการสร้างบ้านสร้างเรือนได้เราก็เรียนวิชานี้เรียนวิชาที่จะมาสร้างความสุขในใจของพวกเราคือเราต้องมาเรียนสร้างศีลสร้างสมาธิสร้างปัญญาวันนี้เราก็ได้เรียนครบทั้งสามมัน สร้างศีลเริ่มต้นจากศีลหนึ่งศีลหนึ 1, ่งศีลห้าศีลแปดไปจนถึงศีลสามร้อยสิบเอ็ดพอได้ศีลแล้วเราก็มาหัดสร้างสติกันพอมีสติเราก็มานั่งม า, งมาใช้สติมาสร้างสมาธิสร้างความสุขที่เกิดจากความสงบแล้วพอได้ความสุขจากความสงบแล้วเราก็มาเรียนสร้างปัญญากันว่าปัญญาคืออะไรปัญญาคือความเห็นตายลักษณ์เนี เห็นแสงสว่างแห่งธรรมเนี่ยเรียกว่าปัญญาปัญญาจะเห็นอะไรก็เห็นตายแล้วเห็นว่าสิ่งต่างๆที่เราอยากได้มันเป็นอนิจจังทุกขังอนัตตาได้มาแล้วเดี๋ยวจะต้องทุกข์พอรู้ว่ามันต้องทุกข์ก็ไม่เอาดี๋ยวก็ไม่อยากได้ก็จะหยุดความอยาก พอไม่มีความอยากมันมารบกวนใจใจก็จะสงบต่อใจก็จะมีความสุขต่อไปต่อไปความอยากต่างๆก็จะหมดไปพอทุกครั้งที่เกิดความอยากเราก็จะใช้ใจลักณ์มาหยุดมันพอหยุดมันต่อไปมันก็จะหายไปพอหายไปมันก็จะไม่มีอะไรมาทําลายความสงบเหมือนน้ําที่น้ําสระนี่ น้ำสระที่สระในบ้านนี้ถ้าไม่มีใครไปกระโดดน้ำน้ำมันก็จะไม่กลับเพิ่มน้ำมันก็จะนิ่งแต่ถ้ามีเด็กลงไปเล่นมีใครไปกระโดดน้าว่ายน้ำอยู่น้ำมันก็จะกลับเพิ่มมีคลื่นขึ้นมาใจเราก็เหมือนกันเวลามีความอยากก็เหมือนกับมีคนกระโดดน้ำเข้าไปในใจกระโดดเข้าไปในใจทำให้ใจเรากระเพื่อมทาให้ความสงบหายไป พอไม่มีความอยากก็ไม่มีใครไปทำลายความสงบของใจได้ใจก็จะสงบแบบของพระพุทธเจ้านี่ก็สองพันหกร้อกับเจ็ดปีละสองห้าหกสองบวกด้วยสี 40, 45, ่สิบสี่สิบห้าก็เป็นสองหกศูนย์เจ็ดนี่คือเลขสำหรับวันนี้ให้ท่านไปพินิจพิจารณา การแสดงก็คิดว่าพอสมควรแก่เวลาจะขออนุโมทนาให้พรนี่ให้อย่างจะจะเลยนะเดี๋ยวจะไม่ต้องมาตีกันให้เสียเวลา <c oughs> ยะถาวาิกวาหาปุราปริปุเรนติสาขลัง เอวเมวอิโตทินังเปตานังอุปการปฏิอิจิตังปฏิตังตุมหังคิบเมวสเิจจตุสภะเบรนตุสังกปา จันโทปนาระโสยธามณิโชติระโสยธาสพีติโยวิวาจันตุสัพพารโคลมีนัสตุมาเตภวตวันตารโยสุขีทีขายุโกภวะ อภิวาทนสีดิตสะนิจังวุธาปจายโนจัตตารโธรมมวาทานติอายุวันโอสุขังภาลังวันนี้เข้ามาเท่าไหร่วันนี้จากเฟซบุกสองรอยปสิบหก y o u ู u สองร้อยเก้าสิบหกวิทยุออนไลน์ส1มสิบเอ็ดผู้รับฟังบนเขาห้าสิบสามเป็นคาราวาสสี่สิบแปดพระสงฆ์ห้ารูปค่ะรวมหกร้อยหกสิบหกท่านเลยตัวเลขเยอะเลยควจะเลือกตัวเลขงงเลยเอาตัวไหนดีวะเอา y o u t u ู e ดีหรือเอา Facebook ดีเอาโยมดีหรือเอาพระดีมีตัวเลขให้เลือกเยอะแยะเลยวันนี้ หกร้อยเท่าไหร่นะหกสิบหกค่ะร้อยหกตองหกเลยตอนนี้โอ้ยตอนนี้เลือกไม่ถ่านแล้วนะไกลออกแล้วมั้งแบบนี้มีคนบอกว่าออกแล้วค่ะก็ไม่รับแล้วไม่รับแล้วอลยช่วงนี้เป็นช่วงถามคําถามนะใครอยากจะถามอะไรเพิ่มเติมตรงไหนก็เชิญถามได้นะ ไม่ไม่กล้าถามเองก็เขียนใส่กระดาษส่งข้อความเข้ามาก็ได้แล้วจะอ่านข้อความให้ถ้ายังไม่มีเอาของทางบ้านก่อนถ้ามีคำถามจากคุณเมย์หนูเคยนั่งสมาธิตั้งแต่เด็กๆแล้วคะ่ะแต่ไม่เคยนั่งได้นานๆโดยเฉพาะช่วงเวลากลางคืนพอจิตเริ่มรวมแล้วมันปิติ พอมันเริ่มดิ่งลงไปจนเห็นลมหายใจชัดขึ้นชัดขึ้นเกิดความกลัวนั่งได้ประมาณสิบนาทีก็จะถอนออกตลอดปกติหนูนั่งคนเดียวเน้นฟังธรรมะเองไม่ได้ไปหาครูบาอาจารย์หนูรบกวนขอแนวทางที่จะช่วยให้เราสามารถคลายจากความกลัวได้ก็คือรับประกันได้ว่าไม่มีอะไรไม่มีภัยอะไรถ้ามีภัยในใจเรามันมันมันมีไปต้องนานแล้ว มันจะไม่มามีตอนที่เรานั่งสมาธิหรอกที่มันมีก็เพราะว่าเรานั่งแบบไม่มีใจไม่มีสติคอยควบคุมใจใจมันก็เลยผลิตหนังผีมาหลอกเราเท่านั้นเองมันฉายหนังผีให้เราดูเข้าใจไหมเราก็เลยกลัวขึ้นมา <c oughs> ใจเราผลิตเรื่องราวต่างๆขึ้นมาเวลานั่งสมาธิเราจึงต้องมีผู้กํากับคอยมาควบคุมใจไม่ให้มันผลิต เรื่องราวต่างๆขึ้นมาเนี่ยให้นั่งแล้วพุโทโธพุโทโธเนี่ยแสดงว่ามีผู้กำกับละถ้าอยู่กับผู้กำกับพุโทโธไม่มีอะไรจะเกิดถ้าเกิดมันเราก็ไม่ต้องไปสนใจมันรู้ว่าเป็นของปลอมของหลอกเป็นหนังผีหนังอะไรเป็นหนั ง, ง น, นั่นเองใจเรานี่เป็นจอจอหนังใหญ่ๆแล้ว ใจเรานี่แหละเป็นผู้ฉายหนังให้เราดูเองเวลาที่เราไม่มีสติเวลาเราเผลอใช่เวลาเรานอนหลับเราไม่มีสติมันก็ฉายหนังให้เราดูฝันไปนี้ก็เป็นหนังที่ใจฉายขึ้นมาบางทีก็ฝันดีบางทีก็ฝันไม่ดีมันเป็นเรื่องของใจคิดขึ้นมาสร้างขึ้นมาแต่ถ้าเรามีสติตอนตอนที่เราตื่นนี่มันไม่มาใช่ไหมตอนนี้เรามีสติคุมใจเราตลอดเวลามันก็เลยไม่มาคิด มาสร้างหนังมาสร้างอะไรมาหลอกเราแต่เวลาเรานั่งอยู่คนเดียวยิ่งเฉพาะอยู่ที่มืดมืดนี่แหมมันชอบสร้างผีขึ้นมาหลอกเราอยู่ด้วยดังนั้นขอให้รับประกันว่าไม่มีหรอกของจริงไม่มีของที่มาหลอกเรามันเป็นของหลอกของปลอมเราไม่ต้องไปกลัวมันหรอกถ้าเรากลัวเราก็กลับมาหาพุทโธพุทโธสวดมนต์ไปอย่าไปสนใจกับภาพหลอนภาพหลอกที่ปรากฏขึ้นมาภายในใจ ถึงแม้มันจะรู้สึกว่ามันอยู่ข้างนอกแต่ความจริงมันอยู่ในใจแต่บางทีเราคิดว่ามันอยู่ข้างนอกความจริงใจมันฉายออกไปข้างนอกทนั้นเองมันก็เลยคิดว่ามีมีผีอยู่ข้างนอกแต่มันก็เกิดจากผีที่เราฉายออกไปนี่เองนั้นไม่ต้องไปกลัวรับประกันได้ว่าไม่มีอะไรเป็นภัยในใจเรานอกจากความเผลอของใจการปล่อยให้ใจมันสร้างภาพหลอนภาพหลอกมาหลอกเราเท่านั้นเองน งั้ไม่ต้องกลัวยิ่งนั่งคนเดียวได้มันยิ่งดีเพราะมันสงบง่ายกว่านั่งหลายๆคนนั่งหลายๆคนเนาะมันก็จะรบกวนกันเดี๋ยวคนนั้นไอเดี๋ยวคนนั้นขยับเดี๋ยวคนนั้นอะไรมันซู้นั่งคนเดียวดีกว่างั้นรับได้ว่ารับรองได้ว่าไม่มีอะไรน่ากลัวนอกจากเราปล่อยใจให้มันมาหลอกเราเท่านั้นเองอ สิ่งที่มันหลอกก็เป็นของปลอมเป็นมายาเป็นภาพหลอนไม่ใช่เป็นภาพจริงไม่ใช่ของจริงเป็นหนังเหมือนกับเราดูหนังผีเนี่ยก็กลัวขึ้นมาใช่ไหมทำไมต้องกลัวทั้งๆที่รู้ว่าเป็นหนังอ่ะไม่กลัวอะไรเพราะใจของเรามันอ่อนไหวง่ายงกับรูปกับเสียงกับกลิ่นกับรส เวลามันมาสัมผัสนี่เราคิดว่าเป็นของจริงไปหมดทั้งๆ ท, ที่รู้อยู่กับใจว่ากําลังดูหนังก็ยังอดกลัวไม่ได้อดหัวเราะไม่ได้เวลาเห็นของตลกก็อดหัวเราะไม่ได้เพราะเราปล่อยใจไหลไปกับมันแต่ถ้าเรามีสติดึงใจไว้มันก็จะเฉยใครจะพูดตลกอะไรก็ไม่ได้หัวเราะตามจะมีเรื่องอาวาดเสิ้นน่ากลัวไงมันก็ไม่ได้ไปตื่นเต้นตกใจตาม ถ้าเรามีสติพุทธโธพุทธโธพุทธโธของเราไปนะฉั้นถ้าจะนั่งสมาธินี้ต้องมีสติกํากับใจพุทธโธก็ได้ดูลมหายใจเขาออกก็ได้ยุบหนอพองหนอก็ได้อย่าทิ้งมันโ ด, โดยเฉพาะเวลาที่มีอะไรขึ้นมาหลอกเรานี่อย่าทิ้งสติเนี่ยอย่าทิ้งพุทธโธอย่าทิ้งลมเนี่ยรีบกลับมาเลยถ้ามันเปิดไปปั๊บหนึ่งกลับมากลับมาพุทธโธ หรือสวดอิติปิโสไปก็ได้แล้วเดี๋ยวอาการหลอกล้อนต่างๆมันก็จะหายไป คำถามจากคุณสอนขณะนั่งสมาธิบริกรรมพุทโธแล้วสักประมาณสองสามนาทีมีอาการตัวเบาลมหายใจเบารู้สึกสบายทุกครั้งที่นั่งแต่ละครั้งนั่งอยู่ประมาณครึ่งชั่วโมงถึงหนึ่งชั่วโมงขณะนั้นโยมเกิดความสงสัยว่าจะทำอะไรต่อและจะต้องบริกรรมต่อหรือไม่จะนั่งดูจิตที่นิ่งสงบอยู่เรื่อยๆก็รักษาความสงบไว้เท่านั้นเองด้วยสติ เวลามันจะคิดก็หยุดคิดมันอย่าปล่อยให้มันคิดให้มันรู้เฉยๆไม่ให้คิดไปให้นานที่สุดเท่าที่จะนานได้จนกว่าทนไม่ไหวจึงต้องออกมาค่อยออกมาแล้วก็พยายามกลับเข้าไปใหม่พยายามกลับเข้าไปบ่อยๆนั่งมาหลายๆรยอบ ก, ก็ได้ นั่งมันทั้งวันทั้งคืนสลับกับเข้าออกเข้าออกมันอย่างนีเ้เวลาออกมาก็เจริญสติมามาชาร์น้ามันมาชาร์สติใหมเ่เหมือนมือถือพอใช้หมดก็ไปเสียบปลั๊กเสียบชาร์ไฟพอชาร์เสร็จก็ไปใช้ใช้หมดก็กลับมาชาร์ไฟ อ, อันนี้ก็เหมือนกันเวลาเข้าสมาธิก็เหมือนกับการเข้าไปทาใจไปให้สงบพอจอากความสงบมามัน จะหมดมันจะหายไปก็ชาร์จแบตใหม่ชาร์จด้วยสติออกมาก็พุโทโธพุโทโธต่อหรือคอยจดจ่ออยู่กับการเคลื่อนไหวการกระทำต่างๆของร่างกายคือกลับมาควบคุมความคิดต่ออย่าปล่อยให้มันคิดพอไม่คิดได้เดี๋ยวเราก็กลับไปนั่งต่อได้นั่งบ่อยๆให้นั่งนานๆต่อไปใจเราจะเย็นไปทั้งวันทั้งคืน พอใจเย็นไปทั้งวันทั้งคืนแล้วเราค่อยไปทางปัญญาต่อไปไปพิจารณาใจรักไปพิจารณาความไม่เที่ยงของสิ่งต่างๆเช่นลาบยศสารเสริญสุขทางตาหูจมูกลิ้นกายแล้วก็มาพิจารณาร่างกายของเราของคนอื่นว่าไม่เที่ยงเดี๋ยวก็ต้องตายจา ก, กันเดี๋ยวก็ต้องแก่ต้องเจ็บนะพิจารณาเพื่อเราจะได้ไม่ไปกลัวมันไม่ต้องไป กังวลกับมันเพราะกังวลกัมันก็ไม่เปลี่ยนแปลงอะไรกลัวก็ไม่ได้เปลี่ยนแปลงอะไรปอ่ายวางมันดีกว่าแล้วจะไม่ทุกข์พิจารณาว่ามันไม่ใช่เป็นเราเราเป็นคนใช้มันมันเป็นคนรับใช้เราเราเป็นนายมันเป็นบ่าวสักวันหนึ่งเราก็ต้องทิ้งมันไปมันต้องลาเราไปจากเราไปแต่เราไม่ได้ตายไปกับมันให้คิดอย่างนี้ไปเรื่อยๆแล้วต่อไปเราก็จะ ไม่ต้องมาทุกข์กับร่างกายเราก็จะปล่อยให้มันแก่ปล่อยให้มันเจ็บปล่อยให้มันตายแต่เราก็ดูแลไปให้ดีที่สุดเท่าที่เราจะดูแลได้ให้อาหารให้น้ำให้อะไรไปตามความต้องการของร่างกายแต่ถ้ามันจะไม่อยู่ก็ต้องปล่อยมันไปถ้ามันจะเจ็บก็ต้องปล่อยมันเจ็บไปเดี๋ยวมันถ้ามันจะหายเดี๋ยวมันก็หายใจเราอย่าไปวุ่นวายกับมันท่นั้นเอง และใยเราก็จะสบายไม่ว่าร่างกายจะแก่ไม่แก่จะเจ็บไม่เจ็บจะตายไม่ตายนี่คือปัญญาขั้นต่อไปที่เราจะต้องมาหัดสอนใจให้ปล่อยวางทุกอย่างไม่มีอะไรเป็นของเราไม่มีอะไรถาวรเป็นของชั่วคราวทั้งนั้นได้มาแล้วเดียดเด๋ยวก็ต้องหมดไปมีเดี๋ยวก็ต้องหมดไปไม่จากกันตอนเป็นก็ต้องจากกันตอนตายคิดอย่างนี้ไปเรื่อยๆแล้วต่อไปใจมันจะปล่อยวาง มันรู้ว่าถ้าไม่ปล่อยมันจะทุกข์ถ้าไม่อยากจะทุกข์ก็ต้องปล่อยท่านั้นเองอยู่แค่ตรงนี้อยู่ตรงที่ปล่อยหรือไม่ปล่อยทุกข์หรือไม่ทุกข์ถ้าปล่อยก็ไม่ทุกข์ถ้าไม่ปล่อยก็ทุกข์คำถามจากคุณแค่สิ่งสิ่งนั้นพบผู้รู้ทำลายผู้รู้ทำอย่างไรคะไม่ต้องหาตัวรู้ก่อนได้ไหมคะ คือตัวรู้ไม่ต้องไปหามันนะเพียงแต่หยุดตัวคิดเท่านั้นเองแล้วตัวรู้มันก็จะโผล่ขึ้นมาตัวรู้มันอยู่ของมันตลอดเวลาแล้วก็ไม่ต้องไปตามหามันเอตามหามันก็ไม่เจอเพราะเวลาตามหามันต้องใช้ความคิดเวลาคิดมันก็มันก็หามันไม่เจอวิธีที่จะเจอความรู้ก็ต้องหยุดความคิดใช้สติหยุดมันพุทโธมันไปดูลมหายใจไป แล้วพอมันหยุดคิดปั๊บตัวรู้ก็จะปรากฏขึ้นมาอย่างเด่นชัดขึ้นมารู้แล้วก็ทำทำลายกับตัวรู้ไม่ได้ตัวรู้มันฆ่ามันก็ไม่หายทําลายมันก็ไม่ได้ทําได้อย่างเดียวสอนให้มันฉลาดตัวรู้มันยั ง, งโง่อยู่มันมีอวิชชาความงโง่หลอกมันอยู่คอยหลอกมันอยู่เราให้เห็นสิ่งที่เป็นทุกข์ว่าเป็นสุขเราให้เห็นว่าสิ่งที่ไม่เที่ยงว่าเที่ยง เราให้เห็นว่าสิ่งที่ไม่ใช่เป็นเราเป็นของเราว่าเป็นของเราเท่า น, นั้นเองมาสอนใหม่สอนให้มันฉลาดด้วยปัญญาสอนว่าไม่มีอะไรเป็นของเราไม่มีอะไรเที่ยงไม่มีอะไรให้ความสุขกับเรามีแต่จะให้ความทุกข์กับเราพอมันฉลาดแล้วมันจะได้ปล่อยวางมันจะได้ไม่ต้องไปทุกข์กับเหตุการณ์ต่างๆเรื่องราวต่างๆบุคคลต่างๆสิ่งต่างๆ พอทุกอย่างมันเป็นอนนี้จังทุกขังอนัตตาทั้งนั้นพอมันฉลาดแล้วมันรู้แล้วมันก็ไม่ยุ่งกับใครแล้วอยู่คนเดียวดีกว่าอยู่กับความว่างดีกว่านิบานังปรมังสุญญ์นิบานังปรมังสุ ข, ขงังนั่นแหละพอฉลาดรู้แล้วว่าทุกอย่างเป็นทุกข์ไปยุ่งกับมันทําไมอยู่แบบไม่มีอะไรดีกว่าอยู่กับความว่างนี่แหละเป็นความสุขที่ยิ่งใหญ่ปลมังสุญญงปลมังสุขขงัง อันนีนี่คือปัญญาที่มาสอนตัวรู้อันนี้ตัวรู้มันโง่มันเห็นอะไรสุกไปหมดแล้วพอได้มาก็น้ำตาตกในลูกนี้กูไม่เอาดีกว่าสายไปเสียแล้วเหมือนปลาไปฮุบเหยือ่อพอติดเบบแล้วลูกนี้กูไม่ฮุบเหยื่อดีกว่าสายไปเสียแล้วเพื่อนอยู่ดีๆไปแต่งงานทาไมไปมีเมียไปมีลูกไปมีผัวทำไมมีแล้วก็มาน้ำตาตกในใช่ไหม ไม่มีปัญญาไงโง่ดังนั้นต้องมาเรียนรู้ธรรมะให้รู้ว่าทุกอย่างที่เราหากันนี้มันเป็นทุกข์ทุกชา้าทุกเร็วท่านเองบางทีมองไม่เห็นว่ามันมีความสุขเคลือบอยู่เหมืนอนยาขมเคลือบน้ําตาลมองไม่เห็นยาขมไม่เห็นแต่น้ําตาลคิดว่าโอ้ยทั้งแท่งจะหวานไป็ทั้งแท่ ง, ท, ง, ท, งที่ไหนได้หวานแค่เดี๋ยวเดียวพอน้ําตาลละลายเหลือแต่ขมทีนี้เกินก็ไม่เข้าคายก็ไม่ออกอะไร ก็ต้องอยู่แบบเกิไม่เข้าคายไม่ออกนั่นแหละเพราะไม่มีปัญญาไม่มีความฉลาดไม่ไม่มาสอนตัวรู้ให้รู้ว่าอะไรเป็นสุขอะไรเป็นทุกข์อะไรเที่ยงอะไรไม่เที่ยงอะไรเป็นของเราอะไรไม่เป็นของเรา <S <S 1> <S 1> พอมันฉลาดแล้วมันก็จะอยู่กับของที่เที่ยงของที่สุขของที่เป็นของเราก็คือจ่ายอยู่กับความสงบอยู่กับความว่างนี่แหละเป็นของเรา เราเคยอยู่ประสศจากความว่างความว่างมันอยู่กับเราตลอดเวลาไปไหนก็ว่างแต่เราหนีมันเลยเราไม่ชอบความว่างพออยู่คนเดียวก็เหงาต้องไปหาเพื่อนหาแฟนพออยู่กับเพื่อนกับแฟนไม่รู้จะทำอะไรก็เหงาอีกต้องหารูปหาเสียงมาเป็นเพื่อนอีกแล้วก็ต้องมาทุกข์กับมันอีกเวลามันมันไม่อยู่กับเราเห็นหัดอยู่กับความว่างให้ได้เสร็จ พิเดีอยู่ความว่างได้ก็ต้องทำใจให้สงบเท่านั้นเองถึงต้องมาฝึกสติมานักษาศีลมาสวดมนต์มาพุทโธมาเดินจงกรมมานั่งสมาธิกันให้ใจมันอยู่กับความว่างให้ได้พออยู่กับความว่างได้ก็รักษามันให้อยู่ไปเรื่อยๆอย่าให้ถูกอย่าให้ความหลงความอยากมาหลอกให้ไปหาสิ่งนู้นสิ่งนี้ค่ะคำถามจากคุณจิราพร ก่อนจะสวดมนต์ภาวนาจำเป็นต้องจุดธูปและเทียนทุกวันไหมเจ้าคะถ้าคุณว่าจำเป็นไม่จำเป็นถ้าคุณว่าไม่จำเป็นมันก็ไม่จำเป็นนี่แล้วแต่แล้วแต่คนถ้าเราบอกว่าไม่จำเป็นเนี่ยคนที่เขาจุดจุดอยู่เขาบอกเขาจํ า, าจำเป็นน่ะก็เรื่องคือมันมันไม่เกี่ยวกันน่ะ นั่งสมาธิก็เรื่องของนั่งสมาธิเรื่องจุดทูบจุดเทียนก็เรื่องของจุดทูบจุดเทียนนะมันไม่เกี่ยวกันยอย่าใช้คำว่าจำเป็นเลยมันคำว่าจำเป็นมันไม่มันไ ม, ม, นไ ม, ม, นไม่มันไม่มีความจำเป็นจะต้องใช้คำว่าจำเป็นอ่ะพูดยังไงถามว่านั่งสมาธิโดยที่ไม่ต้องจุดทูบจุดเทียนได้หรือเปล่าได้ ถามที่สองจ้าคุณจิลาพร น, นะคะยานสี่และวิปัสนาญาณสี่ต่างกันอย่างไรคะอุ้ยันนี้ต้องไปถามกูก็แล้วอันนี้เราก็ไม่รู้เหมือนกันเพราะมันมีหลายหลายอย่างเดี๋ยวพูดไปแล้วเดี๋ยวจะสับสนไปถามกูก็ดีกว่าแต่ไม่จําเป็นต้องรู้หรอกไม่รู้ก็ได้ขอให้รู้พุโทโธคําเดียวก็พอให้รู้ตายรักก็พอไอพวกนั้นไม่ต้องไปรู้มันหรอก ยานสี่ยานเจ็ดงานอะไรของมันขอให้รู้ตาลักสามตัวนี้ฮอันนี้จังทุกขังอนัตตารู้อริยสัจ ส, สี่ทุกสมุทัยนิโรธมากรู้พุทโธแค่นี้พอแล้วคะคำถามจากคุณเชอรี่เวลาที่ดิฉันนั่งสมาธิกำหนดอาณาปานาสติบริกรรมพุทโธแบบทีดูลมหายใจเข้าออก นั่งไปได้ประมาณ25นาทีในขณะที่จิตกำลังจะรวมเพื่อที่จะเข้าสู่สมาธิมักจะมีเสียงดังกึกกักเช่นมีเสียงกิ่งไม้หล่นใส่ลังคาหรือเสียงแก๊กแก๊กทำให้เกิดอาการสะดุง้งจิตถอนมีเทคนิคหรือวิธีแก้อย่างไรเจ้าคะก็อย่าไปสนใจเรอมันถอนก็กลับเข้าไปใหม่เลยก็ทำไปต่อไป อย่าไปสนใจกับอะไรให้อยู่กับพุโทโธไปอยู่กับลมไปต่อไปมันก็จะไม่ไปมันก็ไม่ไปยุ่งคำถามจากคุณพัทรนิตย์สามีนอนป่วยติดเตียงเป็นมะเร็งระยะสุดท้ายภรรยาและญาติของภรรยาอุทิศส่วนกุศลด้วยการสวดมนต์ฟังธรรมนั่งสมาธิจะช่วยให้ผู้ป่วยได้รับกุศล น, นี้หรือไม่คะ ไม่ได้หรอกเพราะว่าการสวดการอะไรนี้นยังเป็นการสร้างบุญสร้างกุศลอยู่ยังไม่เป็นบุญเป็นกุศลยังไม่มีผลเหมือนกับปลูกต้นไม้ปลูกต้นไม้นี่กำลังตอนปลูกต้นไม้นี่ยังไม่มีผลใช่ไหมอเอามาล็ดของต้นไม้ใส่ไปในดินนี่แล้วก็รดน้ํพรวนดินเป็นการเริ่มต้นของการสร้างกุศล กุศลบางอย่างนี้มันต้องใช้เวลานานถึงจะออกดอกออกผลคือความสงบของใจเนี่ยเกิดจากการสวดมนต์จากการฟังเทศน์ฟังธรรมนี้มันใช้เวลานานอยางนั้นพระพุทธเจ้าถึงไม่ได้สอนถ้าอยากจะอุทิศบุญให้เอาแบบฟาสต์ฟู้ดดีกว่าอาหารอาหารเร็วดีกว่าสั่งปุ๊บได้ปั๊บเลยดีกว่าก็คือไปทำทานทำทานโดยจากทานปุ๊บผลเกิดขึ้นทันทีเลย จึงนิยมอุทิศบุญแต่บุญนี้ก็อุทิศให้กับคนตายเท่านั้นคนเป็นก็เอาเงินให้คนคนคนเป็นดีกว่าคนก็จะได้เอาเงินไปซื้อซื้อความสุขได้เช่นถ้าเขายังไม่ตายถ้าเขายังใช้เงินทองได้เขาก็เอาเงินทองที่เราให้เขาเนี่ไปซื้ออะไรที่ทำให้เขามีความสุขใจคือบุญก็คือความสุขใจนี้เองเั้น ถ้าเราอยากจะทำอะไรให้กับคนที่ยังมีชีวิตอยู่ให้มีความสุขก็ทำ ในสิ่งที่เขาอยากได้เนี่ยเขาอยากจะได้อะไรก็ทำให้เขาไปเขาอยากจะดูหนังฟังเพลงก็เปิดหนังเปิดเพลงให้เขาดูไปเขาก็มีความสุขถึงแม้ว่าจะเป็นความสุขปัอมแต่มันก็เป็นความสุขแบบที่เขารู้จักเท่านั้นเองถ้าเขาอยากจะได้ความสุขจริงเขาต้องทำใจให้สงบเขาก็ต้องไหว้พระสวดมนต์เองคนอื่นมาไหว้พระสวดมนต์ให้เขาไม่ได้ mm. เข้าใจไหอ คำถามจากคุณจิ ม, มเวลาทำสมาธิไปได้สักพักเริ่มรู้ว่าจิตนิ่งตัวเราเบามีความสุขไม่รู้สึกอาการปวดใดๆทั้งสิ้นแล้วมีไอเย็นออกมาตามร่างกายไม่รู้ว่าอาการแบบนี้เกิดจากอะไรแล้วโยมนั่งถูกต้องไหมคะก็เกิดจากการนั่งสมาธินี่ผลของสมาธิก็คือใจสงบเย็นมันกำลัรู้สึกว่ามีอาการเย็นออกมาจากทางร่างกาย อันจริงมันเป็นความรู้สึกที่เราคิดปรุงแต่งขึ้นมาเท่านั้นเองมันอาจจะเย็นทั่วสพางร่างกายก็ได้แต่มันเป็นผลที่เกิดจากการทําใจให้สงบจากการที่เรานั่งสมาธิก็ให้รู้ว่าเป็นอย่างนี้ก็แล้วกันแล้วไม่ต้องไปปรุงแต่งไปต้องมโนว่ามันเป็นอย่างนู้นเป็นอย่างนี้ให้รู้ว่ารู้ตามความเป็นจริงแล้วไม่ต้องไปสนใจว่ามันชื่ออะไร บางทีก็อยากจะรู้ว่าความสงบระดับนี้เป็นชาญนที่หนึ่งชา้นที่สองหรือชา้นที่สามรู้ไปก็เท่านั้นรู้ไปมันก็ไม่เปลี่ยนความจริงความจริงมันก็เป็นอย่างนี้ถ้าอยากจะรู้เดี๋ยวไปศึกษาอ่านในคัมภีร์ดูก็แล้วกันแต่ไม่ต้องไปรู้มันก็ได้รู้มันกับรู้มันกับเจอตัวมันสู้เจอตัวมันดีกว่ารู้ชื่อมันแต่ไม่เจอตัวมันก็ไม่มีประโยชน์อะไร สู้เจอตัวมันดีกด่าแต่ไม่รู้จักชื่อยังจะดีกว่าเออสมัยก่อนมีเคยคนเล่าให้ฟังไม่รู้จริงหรือเปล่าพระเจ้าแผ่นดินบางทีอยากจะไปเจอประชาชนแบบไม่ให้เขารู้จักก็ปลอมตัวเป็นคนธรรมดาไปพอไปเจอคนทั้งประชาชนก็ไม่รู้จักก็ไม่รู้ว่าเป็นพระเจ้าแผ่นดินเออแต่พอมารู้ที่หลังวูเสียดายนี่เป็นพระเจ้าแผ่นดินมาหาเราแต่เราไม่รู้จักชื่อเขา นี่เราพอเราไปติดกับชื่อเราไม่ไไม่รู้จักตัวเขางั้นอย่าไปสนใจกับชื่อเอาตัวดีกว่าเจอตัวแล้วมันทําให้ใจเราได้ได้สงบได้ความสุขพอแล้วได้เจอความสุขก็พอแล้วไม่ต้องไปถามว่านี่เป็นความสุขระดับที่หนึ่งที่สองที่สามที่สี่ทำไปเรื่อยๆ ก็จะรู้เองว่าถ้าอยากจะเพิ่มความสุขมากขึ้นก็ต้องนั่งให้มันนานขึ้นต้องควบคุมใจให้ได้มากขึ้นไปเรื่อยๆมันก็จะสุขมากขึ้นไปเรื่อยๆเองคำถามจากคุณจุราลักษ์เวลานั่งฟังธรรมควรวางจิตไว้ที่ใดคะที่คาภาวนาหรือคำที่พระอาจารย์เทศเ อ, อ๋อถ้าฟังธรรมก็ต้องฟังที่เสียงเนี่ยถ้าเราจะฟังธรรมถ้าเราจะถ้าเราจะนั่งสมาธิเราก็อย่าฟังธรรม นอกจากถ้าเราต้องการใช้ทำเป็นเครื่องทำใจให้สงบก็นั่งสมาธิไปแล้วก็ฟังธรรมไปแต่อย่านั่งสมาธิแบบพุทโธไปแล้วฟังธรรมไปด้วยมันจะตีกันเลยอย่าไปนั่งดูลมแล้วก็ฟังธรรมถ้าจะดูลมก็ปิดธรรมดีกว่าจะได้ไม่มีอะไรมารบกวนสมาธิไม่มีการมารบกวนการดูลมหรือพุทโธของเรา แต่ถ้าเราพุโทโธไม่ได้ดูลมไม่ได้เราใช้ฟังธรรมเป็นอารมณ์แทนพุโทโธได้แทนลมหายใจได้นั่งฟังไปไม่เข้าใจหรือไม่แต่เข้าใจไม่เข้าใจก็ไม่ต้องสนใจฟังเสียงไปเรื่อยๆอย่างนี้ก็ทำกล่อมใจให้สงบได้ถ้าเราฟังแล้วนึกไปได้นึกคิดตามได้ก็จะได้ปัญญาได้ความรู้เอฟังธรรมได้ฟังได้สองแบบด้วยกัน หมดแล้วเลยนี่กายอยากจะถามอยังไหมถ้าไม่มีก็จะปล่อยให้กลับบ้านแล้วนะหมดเวลาก็ขอให้ท่านจงนำเอาสิ่งที่ได้ยินได้ฟังไปพินิตพิ จ, พจารณาไปปฏิบัติเพื่อความสุขความเจริญก้าวหน้าในธรรมยิ่งยิ่งขึ้นไปเถิด